ทำดีอยู่ข้างเดียวในที่สุดจิตจะสูงกว่าแล้วพ้นจากอีกฝ่ายไปความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ไม่ได้มีแค่ใครร้ายใครดีไม่ได้มีแต่เรื่องใครทำอะไรไว้กับใครไม่ได้มีเพียงฝ่ายกระทำและฝ่ายถูกกระทาแต่ยังมีเรื่องของการเชื่อมกรรมการชดใช้การยกระดับจิตหรือทาลายสานึก การทำภพภูมิตกต่ําหรือขึ้นสูงอีกด้วยระหว่างมนุษย์กิเลสหนากับมนุษย์ที่ตั้งใจขัดกราบจิตใจลดลากิเลสมักมีสัมพันธ์ที่คาดเดาได้ฝ่ายกิเลสหนาย่อมได้ใจนึกว่าได้เปรียบส่วนฝ่ายขัดกลาจิตใจก็กลมหน้าก้มตายอมด้วยเหตุผลบีบคั้นบางอย่างเช่นจดจําว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณ หรือํำนึกอยู่ว่าเราเป็นลูกหรือเห็นอยู่ว่าถ้าไม่ช่วยเขาจะพินาศเมื่อส่องกันในอีกมิติก้าวคมรูปร่างหน้าตาตัวตนไปเห็นจิตจะทราบว่ายิ่งวันข้างหน้ายิ่งเป็นอกุศลเหมือนมีหลุมดำพอกมวลหนาแน่นขึ้นทุกทีขณะที่อีกฝ่ายยิ่งวันยิ่งเป็นกุศลเหมือนเกิดดวงอาทิตย์ ที่ชายรัศมีแรงขึ้นเรื่อยเรืยิ่งถ้าขัดเกลาด้วยธรรมะแนวและอัตตาเลิกเทียบเขาเทียบเราก็ยิงผ่องแผ้วไร้มวลทินแตกต่างกันยิ่งขึ้นเรื่อยเรืถึงจุดหนึ่งเมื่อหลุมดำไม่อาจดูดแสงจากดวงอาทิตย์ไม่อาจทำให้ดวงอาทิตย์อับมองโรยราได้จริงๆดวงอาทิตย์ย่อมผ่านพ้นไปไปอยู่ในที่ที่สูงไปอยู่ในเขตที่สว่างของตน ตามธรรมชาติธรรมดาที่ความสว่างกับความมืดจะต้องแยกจากกันจิตที่เป็นกุศลยยอมคู่ควรกับสิ่งแวดล้อมที่เจริญจิตที่เป็นอกุศลยยอมเหมาะกับสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมทรามอย่าห่วงว่าจะต้องก้มหน้าก้มตาทนตลอดไปการได้เปรียบเสียเปรียบในโลกมนุษย์นั้น เจ็ดปีหรือร้อยปีก็นับว่าเป็นเวลาแสนสั้นเมื่อเทียบกับการเดินทางเป็นอนันตชาติในสังสารวัตรถ้าคิดว่าจะใช้เวลาอันแสนสั้นบนโลกใบนี้ประทําตนเป็นดวงอาทิตย์พิชิตหลุมดําทั้งหลุมดําในตนทั้งหลุมดําในคนอื่นคุณจะทุกข์แค่สั้นๆแค่ในโลกนี้แล้วได้เป็นสุขยาวๆทั้งในโลกนี้ก่อนตายและในโลกหน้า หลังสินลม